ข้อความในประมาททีปณีอัตถกถาคุตการนิกายอิติพุตตะนะครับในเล่ม45ต่อจากครั้งที่แล้วแต่ยองในตอนนี้ก็ยังเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้ขยายที่เป็นสูตรเลยขยายแค่บทนำเฉยๆนะครับแต่ว่าในบทนำทั้งหลายเหล่านี้โดยมากก็เป็นเรื่องของพุทธคุณนะครับ ส่วนใหญ่ทีนี้เมื่อเราศึกษาพุทุคุณก็จะได้ทราบซึ่งเห็นคุณค่าของพระธรรมแต่ละบทแต่ละบทที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์นี้นะครับแล้วก็ไปเรียนในที่อื่นไปเจอถ้อยคําตรงไหนเช่นไปพูดถึงคําว่าพักว่างก็จะได้นึกถึงคําสอนตรงนี้เมื่อนึกถึงข้อความตรงนี้แล้วก็จะเป็นที่ตั้งแห่งปราโมทเป็นต้นนะครับนี่มาขึ้นถึงบทว่าอารหัตตาอารหัตตา ความว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เชื่อว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี้โดยมากก็จะแปลออกพางไปเลยว่าไกลจากกิเลสนะครับแต่ที่จริงแล้วคําว่าอารหันต์นี่มีความหมายพิสดารมากยกตัวอย่างว่าเชื่อว่าพระอรหันต์นี้เพราะทรงห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายคําว่าอารหันต์เพราะไกลจากกิเลสนั่นเองคําว่าห่างไกลาจากกิเลสนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นพร้อมทั้งวาสนาด้วยนะครับ ไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาะที่ทรงประพฤติปฏิบัติกําจัด ก, กิเลสพร้อมทั้งวาสนาเหล่านั้นด้วยอรหัตมรักนะครับเพราะทรงทําลายข่าศึกคือกิเลสไม่มีส่วนเหลือกิเลสภายในจิตในใจเนี่ยไม่มีเหลือแม้แต่ชิ้นอันว่างั้นเถอะเพราะพระองค์นั้นบนรรลุอริยมรรคมนี่นหมดกิเลสเหล่านี้หมดด้วยอริยมรรคนะครับไม่ใช่กล่าวแต่ผลเพราะท่านไม่มีกิเลสแล้วนะ ควรกล่าวเหตุด้วยว่าเหตุใดจึงไม่มีกิเลสเหตุอ น, นั้นก็คืออริยมรรคทั้งหลายนั่นเองเชื่อว่ารหันตญาณที่3ามพาะอาถาว่าทรงทําลายซี่กรรมแห่งสังสาระจักนะครับซี่กรรมแห่งสังสาระจักรก็คือกรรมนั่นเองกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับนับว่าเป็นซี่กรรมแห่งสังสาระจักอวิชชาเนี่เป็นเหมือนดุมของสังสาระจักรชรามรณะโศกปริเทวะเหมือนกับกงของสังสารจักนั้นเมื่อทําลายอวิชชาทําลายกิเลส กรรมที่เป็นเหตุไปสู่ชาติชรามรณะก็ชื่อว่าทรงทาลายได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยชื่อว่าทาลายซีกรรมแห่งสังสาระจักรผู้ที่ประกอบด้วยคุณงามความดีขนาดนี้นะครับคือไกลจากกิเลสด้วยไม่มีกิเลสส่วนเหลือด้วยทรงทาลายซี่กรรมแห่งสังสาระจักรด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงควรแก่ปัจจัยเป็นต้น นะควรแก่ปัจจัยสี่นะเนืมีคุณธรรมความดีสะอาดบริสุทธิ์กระดานี้เนี่ยนะจึงคู่ควรแก่การบูชานะไม่ว่าจะบูชาด้วยจีวรบูชาด้วยอาหารบิณฑบาตบูชาด้วยเสนาสนะหรือบูชาด้วยยูกยาเป็นต้นสาก่าระดอกไม้ของหอมหรือว่าอามิสบูชาธทมปฏิบัติบูชาเนี่ยนะนะเนื่องจากท่านดีแบบนี้ควรแก่การบูชาทั้งวัตถุทานและธรรมทานนะหรืออามิสบูชาหรือว่า ปฏิบัติบูชาคู่ควรหมดเลยแล้วก็พระองค์นี้เป็นพาตฐานเพราะไม่มีความลับในการกระทําบาปความหมายว่าไม่มีความลับในการกระทําบาปนี่หมายว่าเมื่อมีโอกาสก็ไม่คิดเป็นบาปมางั้นเถอะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่ไม่ทําบาปส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีโอกาสนะก็บอกว่าถ้าหากว่ามีโอกาสหรือได้ที่รับสัตว์ที่จะไม่ทําบาปหายากนักนะครับ เอางี้นะก็บอกว่ า, วาโดยปกติแล้วผู้ที่ไม่ไข่ด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยนะครับหาได้ยากเว้นพระอรหันต์พระนาคามีก็ยังมีบางบางเว็บหนึ่งก็จิตก็ยังเป็นไปกับบาปใช่ไหมครับเช่นพระนาคามีบางครั้งท่านก็ยังมีมานะมีอุทจาคมีอวิชามีภาวะราคะเนี่ยนะครับแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถึงได้ปัจจัยยังไงท่านก็ไม่เป็นบาปเหมือนันนะ ถึงได้ปัจจัยก็ไม่เป็นบาปทําให้เราต้องมาเปรียบเทียบกับปุถุชนทั้งหลายจึงจะเห็นชัดปุถุชนบางคนเนี่ยได้โอกาสก็ทําปานาธิบัตบางคนได้โอกาสก็อาทินนาทานบางคนอาจจะไม่อาทินนาทานเพราะ5บาท10บาทแต่ถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นต้นเนี่ยนะไม่ทําได้หรือบางคนเนี่ยไม่การเมสุมิจฉาจารเพราะเพราะไม่มีโอกาสแต่ถ้าได้โอกาสเบ็ดเสร็จหมดที่ไม่ทําก็หายากนะครับ หรือว่าบางคนไม่มูสาวาตก็เพราะไม่มีโอกาสหรือไม่ดื่มสุราเป็นต้นก็เพราะไม่มีโอกาสพระองค์นี้ชื่อว่าะ้าหันเนี่ยนะถึงมีโอกาสก็ไม่ทํนะถึงที่เรียกว่าใครไม่รู้ก็ก็ไม่ทําไม่แอบทำอย่างนั้นถะไม่แอบมีแม้กระทั่งอกุศลวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งกระซิบกระซาบในความคิดยังไม่มีเลยเพราะความเป็นพระองค์บริสุทธินี้จึงชื่อว่าผ้าหันนะครับ พระอรหันต์นี่ดีอย่างนี้แหละมีหน้าเราเลยสวดมนต์กราบทุกวันเลยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาผู้ทางพระกวันตังอภิวาเทมีนนะแสดงว่าเราชื่นชมคนประเภทนี้มากนะถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคโลมุตมังนะครับให้เราเข้าใจคุณท่านแล้วนึกบูชากราบไหว้เป็นต้นนี่ก็เป็นมงคลแล้วนะครับนี้ต่อไปว่าอันหนึ่งในอธิการนี้เพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ด้วยบทว่าพระควาตา เอาสองคำมาตีควบกันนะตอนต้นเนี่ยพักวาพัวาเสร็จก็อรหัตตาใช่ไหมพักวาตาอารหัตตาทีนี้เอาทั้งสองคำมาขยายควบคู่กันเอาทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าพระภาคด้วยพระผู้มีพระภาคด้วยชื่อว่าอารหันด้วยทีนี้ไอ้ระหว่างสองชื่อนี่มีความแตกต่างกันยังไงท่านก็เลยเอาสองคำนี่มาขยายควบคู่กันขยายตีคู่ทั้งพักวาทั้งอรหันควบคู่กันไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เห็นวิธีการขยายพระธรรมนะครับว่าพระธรรมนั้นมีการร้อยเข้าถึงการด้วยด้วยธรรมะนะครับเหมือนกับถนนทั้งหลายเนี่ยเชื่อมติดต่อกันด้วยแต่ละสายแต่ละสายจะเชื่อมต่อกันทีนี้พระอัตถกถาท่านก็มาเรียบเรียงให้เห็นว่าธรรมะเราเนี่ยเชื่อมต่อกันได้อย่างไรนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าคำว่าพระคัมตาเนี่ยนะครับพระคัมตา ที่ว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับท่านแสดงถึงความถึงพร้อมด้วยรู ป, ปกายนะนะซึ่งต่างจากอรหาัตตมหมายถึงพระธรรมกายธรรมกายนี้คือคุณธรรมนะครับคือคุณธรรมทั้งหลายาทีนี้อธิบายก่อนว่าคำว่าพระวตานี้หมายถึงถึงพร้อมด้วยรู ป, ปกายอันไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นเพราะประดับด้วยมหาบุริสลักษณะ3าประการอนุพยัญชนะ80และพระเกตมาลา มีพระรสมีแผ่ไปได้ประมาณหนึ่งวารัศมีซ่านออกจากร่างกายหนึ่งวานะี่ถือว่าเป็นปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ชื่อว่าทรงบุญลักษณะไว้ตั้งร้อยฟังนั้นเถอะคือแห่งแห่งเดียวเนี่ยนะมีบุญมหาศาลว่าตำแหน่งตำแหน่งเดียวเนี่ยเกิดจากบุญมากมายฟังนั้นในในร่างกายนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่เกิดจากบุญมหาศาลเพราะทรงมีบุญยะสมผานที่ทรงสั่งสมไว้ตลอด อสงไขยอสงไขยกลับเนี่ยตั้งสี่อสงไขยกลับเนี่ยนะระดมมาตกแต่งร่างกายนะก็บอกว่าบุญที่ทํามาสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะที่จะมาแต่งให้งามขนาดไหนก็แต่งอย่างนี้แหละนะแต่งจึงให้คู่ควร น, นะนะที่ส่วนที่ให้เป็นกรร ม, มัชรูปนะครับด้วยการแสดงว่าพระองค์นี้ทรงคายพาคะธรรมได้แล้วนะถ้าหากว่าไม่ทรงสั่งสมบุญมาขนาดนี้ไม่ได้นะครับ ที่จะมีรูปร่างกายเป็นต้นแล้วก็จะมาคลายกิเลสตัณหาเป็นต้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฐานะอีกเหมือนกันทีนี้ขยายคําบดว่าอารหาันตาเมื่อกี้ตอนก่อนต้นนี้บอกว่าอารหันมีห้าความหมายใช่ไหมครับคือไกลจากกิเลสกรรมทำลายฆ่าศึกคือกิเลสทักษิกรรมแห่งสังสารจรควรแก่ปัจจัย4ี่เป็นต้นเนี่ยนะไม่มีความลับในการทําบาปอะ่ะทีนี้ท่านก็เอามาขยายอีกวิธีหนึ่งจะได้มองเห็นชัดในความเป็นพระอรหรันก็คือ ท่านแสดงความถึงพร้อมด้วยพระธรรมกายที่เป็นอจินไตยคือที่ที่คาดคิดไม่ถึงเลยนะบุตุชนทั่วไปคาดคิดไม่ถึงเลยธรรมกายในที่นี้ไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นต้นนะครับไม่ใช่สีแน่ไม่ใช่เสียงเป็นต้นแต่หมายถึงคุณธรรมเป็นต้นเช่นพรยานทั้งหลายสิบนะครับหมายถึงญาณที่เป็นกําลังสิบประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่อย่างเช่นหนึ่งพงรู้อะไรเป็นฐานะไม่ใช่ฐานะ นะครับฐานาฐานายานสองกรร ม, มวิปากยานนะรู้กรรมและผลของกรรมอย่างชัดเจนรู้มีอินเิยียปรปริ ย, รยติยานเรียกว่ารู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายอาส ย, ยานุสยยานอย่างรู้อัธยาศัยและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายรู้อธิมุิของสัตว์ทั้งหลายรู้ปฏิปทาที่นำให้ไปสู่พบทั้งหลายและปฏิปทานนาไปเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยนะครับ และพระ อ, องค์ยังระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็ทำอาสวะกิเลสให้หมดนะระว่ยายานที่เป็นกำลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งเวสารัชยานสี่คือยานที่ทำให้พระ อ, องค์ทรงกล้ากล้า4ประการนะครับและพระ อ, องค์ก็ยังมีอาสาธาระยานหยานที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นก็คือ อสาธนาญาเนี่ยควรควรจําไว้ว่าเป็นความสามารถพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหอย่างนะคือ1น่งอาสยานุสยญาณ น, นะครับญาณที่รู้อาสยะและอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้มีพ่อสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอินรียะปโปรปริยติญาณญาณที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ยะมะกะปาติหารนญาณ น, นะครับ ยานที่เป็นทำแสดงฤทธิ์ได้เป็นคู่คู่นะครับเรียกว่ายมกะปาฏิหารหรือว่ายานต่อไปก็คือมหาการุณาสมาบัติญาณ น, นะครับผู้ที่จะเจริญมหาการุณาสมาบัติได้ขนาดนี้ก็มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัพพัญยุตยานยานที่ยังรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อนาวรณายานยานเหล่านั้นไม่ขัดข้องในที่ทั้งปวงนะครับ อันนี้คือพระธรรมกาของพระ อ, องค์แล้วก็พระ อ, องค์ยังมีอะเวนิกาพุทธธรรมนะครับธรรมเฉพาะพระพุทธเจ้า18ประการเรียกว่าพุทธธรรม18บนั่นเองเพราะการบรรลุพระสัพพัญญุตยานมีการสิ้นอาสวะเป็นเป็นเหตุใกล้พระทฐานนี่เป็นเหตุใกล้นะครับสัพพัญญุตยานทั้งหลายแหลที่พระ อ, องค์ได้เนี่ยนะได้เพราะอารหัตตมักนะครับเพราะอารหัตตมักอรหัตตผลนี่แหละเป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญญุตยานเหล่านั้นทั้งหมดนะครับ คือโดยการแสดงการละ ก, กิเลสที่ไม่มีส่วนเหลือเลยไม่มีเหลือแม่แต่นิดเดียวเลยนะในเกี่ยวกับกิเลสตัณหาของพระ อ, องคอนน์เท่ากับขยายสองคำนะพักวา่าเน้นไปที่รูปปกายอารหัตตาหมายถึงนามนามกายนามะกายหรือธรรมกายก็อันเดียวกันคนระับที่เป็นนามธรรมนะนามธรรมที่มีอยู่ในจิตของพระ อ, องค์แต่ไม่ใช่ไปมีร่างกายอะไรแทรกอยู่ข้างในอะไรไม่ใช่นะครับ แต่หมายถึงจิตเจตสิกทั้งหลายที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาเป็นอย่างดี น, นะแสดงถึงรูปธรรมแนะนา ม, มาทำ ท, ที่มีคุณภาพเยี่ยมที่สุดฟังกันเถอะทีนี้มาประมวลว่าด้วยบททั้งสองท่านแสดงถึงความที่พระองค์อันนักปราด ช, ชาวโลกนับถือมากหนึ่งนะครับคือถ้าสรุปรวมๆนะทั้งพะควาและอรหัตตาเนี่ยนะครับทั้งพระผู้มีพระภาคด้วยทั้งอรหันด้วยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยนักตราชาวโลกนับถือมากผู้มีปัญญาบัณฑิตทั้งหลายแล่นี่นะครับก็จะนับถือพระองค์มากแล้วก็สองความที่พระองค์อันเครืหัดและบรรปะชิตพึงเข้าไปหาเครือหัดและก็บรรปะชิตก็จะเข้าไปหาเสาะแสวงหาเออพระองค์อยู่ที่ไหนนะคนก็จะไปเที่ยวตามหาพระองค์แล้วก็สความที่พระองค์นี้ทรงสา ม, มารถในการบำบัดทุกทางกายและใจของเครือหัดและบรรปะชิตเหล่านั้นผู้เข้าไปหา คือเขาทั้งหลายเนี่ยมันเข้าไปหาเที่ยวสาอหาพระพุทธเจ้าเมื่อไปหาพระองค์พระองค์ก็บำบัดให้เขาได้จริงๆนะครับเขามีความเดือดร้อนทางกายทางใจมาพระองค์บำบัดให้เขาพ้นจากทุกเหล่านั้นได้อะนี่คือคุณธรรมทั้งพระควตาและอารหาตาในย่ที่สี่บอกว่าความที่พระองค์นี้ทรงมีอุปการะด้วยอามิสถานและธรรมทานแกผู้ที่เข้าไปหา นะถ้าหากว่าพูดถึงอมิสถานเนี่นะครับปัจจัย4ที่พระภิกษุทั้งหลายที่อยู่นี่นะครับอยู่ด้วยบุญของพระพุทธเจ้าจริงๆนะครับถ้าเราไม่ใช้เพศของพระพุทธเจ้าหรือเอาธงชัยของพภาตรหันมาใช้นะครับปัจจัย4ี่ไม่มีโอกาสได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับแต่นี้เนื่องจากอยู่ในเพศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในเพศเดียวของภาตราหันเนี่ยนะ ท่านก็เลยได้ปัจจัย4เพราะนั้นปัจจัย4นี้เหล่านี้ชื่อว่าพระองค์ทรงอนุญาตเพราะนั้นชื่อว่าบริโภคอามิสทานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในขณะเดียวกันก็อาศัยธรรมทานคือพระธรรมคำําสอนแบบแผนแห่งการเรียนการศึกษาพระองค์ก็บอกไว้หมดเลยอันเนื่องจากพระองค์เป็นพระผู้มีพระภาคด้วยเป็นพระอรหันด้วยจึงทรงอุปการะสัตว์ทั้งหลายด้วยอมิสทานและธรรมทานแม้แต่เครหอขัดทั้งหลายก็ชื่อว่าได้อมิสทานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย เนื่องจากเขาปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์มีการให้ทานกับผู้มีคุณธรรมเป็นต้นก็เลยได้อามิตรเหล่านั้นนั้นขะนธ์คารวาสเหล่านั้นนั้นที่ได้บุญหรือได้รับวิบากที่ดีๆเนื่องจากทำบุญกับพระองค์อามิตรเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นของพระองค์ด้วยว่างั้นใช่ไหมอย่างนายจูเลกาสาดกใช่ไหมครับพระามจูเลกาสาดกเนี่ยนะอามิตรที่เขาร่ำรวยเนี่ยถ้าเขาไปบูชาคนอื่นเขาจะได้แบบนั้นไหมครับแต่เนื่องจากเขาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนางมารีกาถ้าไม่ใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าจะได้เป็นร า, ราชินีหรอครับก็ไม่ได้ดเป็นคนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับถ้า อ, อย่างเช่นผู้ที่ใส่บาตรกับพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วได้ดิบได้ดีเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่อาศัยพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระอรหันต์ทีนี้เมื่อไปทําบุญกับพระอรหันต์เหล่านั้นได้รับสมบัติทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพราะฉะนั้นสมบัติเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าพระ อ, องค์ไม่แนะนําแล้วเขาจะทำหรือนะนะเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็ชื่อว่าสงเคราะห์อารมิษสถานและธรรมทานอันพวกเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะจริงอยู่เจตนาเขาเป็นเครื่องทำแต่ถ้าเขาไม่ได้รับคําแนะนําจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาเข า, ขาไม่ได้ปฏิบัติทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระ อ, องค์เขาจะได้บุญขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นอามิษทั้งหลายเหล่านั้นนั้นก็ชื่อว่าเกิดจากพระ อ, องค์ แล้วในขณะเดียวกันก็ได้ธรรมทานคือให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้อะไรมีโทษไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติจนถึงว่าปฏิบัติแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะครับเป็นพระโสดาบันสกอาทาคามีเป็นต้นอันนั้นก็เป็นผลของธรรมทานของพระองค์นะบางแห่งบอกว่าศาสนาทั้งศาสนานะเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ เออขอโอกาครับมีที่ที่เราศึกษากันเราก็จะเห็นว่าคนที่สร้างสมบุญมัในอดีตเนี่ยอย่างพระอะไรนะที่บอกว่าที่มาพ่พระพิสูจน์จะเดินทางล้วก็จะจะให้พระศิวดีใช่ไหมฮะครับพระศิวลีก็อย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นบุญของพระศิวะดีเลยครับพระศิวลีนี้ก็ชื่อว่าทาเพราะจับทำบุญในพระพุทธเจ้ า, จาพระองค์ก่อนไว้นะครับ อย่างหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าพระศิวลีเนี่ยเลิกด้วยลาบถ้าพระศิวลีไม่อาศัยพระผู้มีพระภาคจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือครับเป็นต้นนะนะถ้าพระศิวลีเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติธรรมตามพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะพระศิวลีจะได้เป็นเช่นนั้นหรือนะครับพระศิวลีจะได้มักผลนิพพานเป็นต้นหรือน ะ, ระ ค, ครับครับครับ คือเอาจะเลิกด้วยลาบอาจจะเอาลาบไปทําอย่างอื่นก็ได้ถ้าไม่เห็นนะอาจจะเอาลาบนั้นไปทําเป็นบาปเป็นอกุศลก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีกรรมสกตาเป็นต้นนะแต่ทีนี้ว่าลาบเหล่านั้นจริงอยู่เกิดด้วยบุญของพระศิวลีนะส่วนที่เจตนาที่ท่านได้ทํามาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากเหมือนกันคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอุปมาเหมือนกับว่าเป็นพระราชานะถ้าพูดแบบโลกโลกะ ภาษีบาลีก็เหมือ น, กนเกษตรทีคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองนะนะนั้นเศรษฐีนี่อาศัยแผ่นดินพระราชาอยู่นะครับถึงจะร่ํา ร, รวยมียศมีบริวารอะไรขนาดไหนก็ชื่อว่าอยู่ในแผ่นดินของพระราชานะครับภาษีบาลีก็ในฐานะสาวกเท่านั้นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าความหมายคําว่าอารหัตตากับภควาตานี่นะครับควบคู่กันแล้วว่าความที่พระองค์เนี่ยสามารถชักนํา ประชาชนให้ประกอบด้วยคุณที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับว่าคู่คุณที่เขาควรถึงไตรสารณาคมหรือตั้งมั่นอยู่ในศีลให้ทานนะครับปรับฟังธทำบำเพ็ญสมถะวิ ป, ปัสนาบรรลุโสดาปติมัคสกทาคายมฆะเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ชักนําให้เขาเ ข, าเข้าถึงได้นะครับเขาพระองค์เนี่ยมีความสามารถในการชักนําให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานได้เก่งขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ว่าความสามารถเหล่านี้เนี่ยอาศัยควบคู่กันทั้งพระควาและอรหัตานะครับคือทั้งเป็นพระผู้มีพระภาคด้วยเป็นพระอรหันต์ด้วยจึงจะทํากิจอันนี้ได้อยา่างบริบูรณ์นะครับถ้าคนอื่นก็ไม่สามารถจะทํากิจเหล่านี้ได้อยา่างสมบูรณ์เด็ดขาดอันหนึง่งด้วยบทว่าพระควตานี้ท่านแสดงความถึงพร้อมด้วยจรณะนะครับของพระองค์ โดยแสดงความประกอบด้วยวิหารธรรมอันวิเศษมีทิพยวิหารธรรมเป็นต้นอันเป็นยอดในบรรดาจรณธรรมทั้งหลายอันนี้ก็อประในนะครับในหนึ่งทำให้เห็นว่าออคาว่าพควานี่หมายถึงจรณะนะพระพุทธเจ้านี้ถ้าพูดว่าวิชาจรณะสามปันโนใช่ไหมครับเอาพควตากับอรหาัตามาขยายเป็นวิชาจรณะได้ไหมได้พัวานี้รวมอยู่ในจรณะเนี่ยนะครับ เพราะว่าจารณะนั้นมีอยู่ในพระองค์เพราะพระองค์นี่ประกอบด้วยวิหารธรรมที่พยะวิหารธรรมก็คือฌานนั่นเองนะครับาจารณะนี้มีสิบห้านะครับคือหนึ่งศีลสองอินทรีสังวรสามโพชเนมตันยุตาสีชาคริยานุโยกนะครับห้าศรัทธาหกศีลเจ็ดหิริแปดโอตตั ป, ปะนะครับแล้วก็สติวิริยนะ แล้วก็ปัญญาปฐมฌานทุติยะฌานตาติยะฌานจะตุทะฌานถ้าแต่ตุทะฌานนี้ก็ทั้งสมาบัติทั้งหมดจะเข้ามาทั้งหมดนี่ก็อยู่ในจารณะทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพัควตานี้ก็ทว่าพัควะพระผู้มีพระภาคก็คือผู้มีจารณะนั่นเองนะจะใช้ศัพท์นี้เมื่อไหร่ให้นึกถึงอ๋อผู้มีจารณะนะถ้าหากจะเอาแบบย่อๆถ้าไม่เอาแบบพัควาแบบพิสดารอย่างที่ว่าไปครั้งก่อนนั่นนะ โดยบทว่าอารหาัตานี้ท่านแสดงความถึงพร้อมด้วยวิชาแสดงการบรรลุอาสวัคยายานอันเป็นยอดสูงสุดในวิชาทุกประการอารหาัตานี้หมายถึงผู้ที่มีอาสวัคยายานคือเป็นผู้ได้รับอรหัตผลนั่นเองหรือผู้เป็นพระารหันนั่นเองนะครับอาสวัคยยานนั้นหมายถึงอรหัตผลเอแบบสูงสุดเลยนะครับอาสวัคยายานแบบสูงสุดก็คืออรหัตผลอันพระองค์นี้มีอรหัตผล อันอรหัตาก็หมายถึงอาสวะขยายนนั่นนะนะยานที่ทําสิ้นอาสวะให้หมดเกลี้ยงโดยไม่มีเหลือเลยนะครับ <S <S เอาก็ถ้าโสดาปฏิมักก็สิ้นอาสวะบางส่วนสก่าทาคามีมักก็สิ้นอาสวะบางส่วนอนาคามีมักก็สิ้นอาสวะบางส่วนอรหัตมักก็สิ้นอาสวะโดยสิ้นเชิงนะั่นนะอันท่ารหัส น, นี้ก็คือบ่งถึงผู้ที่สิ้นอาสวะโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้กล่าวถึง แสดงสงเคราะห์โดยวิชาและจรณะทีนี้ด้วยบทแรกคือบทว่าพระวตาเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านประกาศถึงการประกอบด้วยเวสารชยานสองข้อนะครับสองข้อหลังน่นนะโดยแสดงความที่อันตรา ย, ยิกรรมและนิยานิกรรมอันพระองค์เนี่ยทรงจำแนกไว้ไม่ผิดพลาดพระาวานี้บ่งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่บอกบอกได้อย่างถูกต้องว่าอะไรมีโทษนะครับที่พองค์เอามาจำแนกนั่นนะ ยกตัวอย่างที่เรียกว่าอันตรายิกระทำอัน น, นอันตรายิกธรรมนี้พระองค์บอกว่านะผู้ที่ประกอบด้วยกรรมคือธรรมานันตริยกรรมห้าไม่สามารถบรรลุมรรคผลนะอันนี้เป็นธรรมอันธรรมที่ทําอนันตรายต่อสวรรค์มรรคผลนิพพานยิงๆิงนะอนันทิยกรรม5เนี่ยข่าพ่อข่าแม่ข่าพระอรหันต์ทำโลหิตพระผู้มีพระภาคให้ห่อทําสังฆเพศเนี่ยนะอันนี้นี่เป็นอนันตรายิกระทำคือกรรมนะ อันตรายยิ่งก ร, รมบางอย่างคือกิเลสเนี่ยนะถ้าเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิแล้วแก่ไม่ได้เหมนกันเถอะอันนี้ก็เป็นธรรมที่ทําอันตรายนะหรือว่าผู้ที่เป็นอาบัติเนี่ยนะก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้น ะ, ะถ้าเรียกวานาวีติกมะหรือผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหตุกะคือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์เทวดาที่เป็นทวิเหตุก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเนี่ยนะแล้วก็อันตรายยิ่งกระทำอีกข้อหนึ่งคือนะครับ อริยปวาทาการว่าร้ายพราเรียเจ้าก็ไม่สามารถบรรลุมรคนิพพานได้นะที่จริงว่าร้ายพาเรียเจ้านี่มีโทษมากพอๆกับอนันติยกรรมนะครับถ้าไม่แก้นะคืออนันติยกรรมนี่นะครับขอขมาไม่ได้ก็ขอขมาแล้วไม่ได้แต่ว่าอริยปวทาเานี่ยนะขอขมาได้ถ้าขอขมาแล้วก็ไม่ห้ามแล้วทีนี้พระองค์ก็จำเนกโทษเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์หมด แล้วก็นิยานิกระทำทำอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะครับคือโพธิปัฏฐานธรรมทั้งหลายแล่นี่นะคือสติปัฏฐานสี่เป็นต้นเนี่ยนะนั้นคําสอนเหล่านั้นนนั้ทําเป็นธรรมะออกจากทุกข์ได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นอ่นพระองค์จําแนกไว้ดีแล้วไม่ผิดพลาดคำว่าจําแนกดําจําแนกขาวไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดเลยอันนี้ใช้คุณธรรมคือพักว่ถ้าไม่พักวานะจะขมขยันแสดงขนาดนี้เลยครับ เรียกว่าจะมีวิริยะอุตสาหะภา พ, าพเพียรพยายามแสดงขนาดนี้เลยแต่เนื่องจากคุณธรรมคือพักวานั่นและทาให้พงพระองค์เนี่ยภาพเพียรพยายามสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ขนาดนี้ทีนี้บอกว่าด้วยบทว่าด้วยบทหลังคืออรหัตานะครับท่านประกาศถึงการประกอบด้วยเวสารัชยานข้อแรกสองข้อคือสัมมาสัมพุทธปฏิยานก่อนในนั้นมีไหมครับ ที่จริงแล้วถ้าหากว่าสองสองข้อก็คือข้อหนึ่งหนึ่งข้อแรกเรียกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญาปฏิยาปฏิญาญานะปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปฏิญาในฐานะผู้รู้สรร พ, พสิ่งนะในคเครียกว่าเวสารัชญาณข้อหนึ่งคือสัมมาสัมพุทธปฏิญญาถ้าพระองค์ปฏิญญาว่ารอบรู้ทุกอย่างก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงโดยสหธรรมว่าท่านยังไม่รู้นนั้นอันนี้นะยังไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นต้นไม่มีแล้วข้อสองก็คือ อ่าคีนาสะวะปฏิญญาปฏิญญาว่าเป็นผู้สิ้นอาสะวะกิเลสหมดแล้วเนี่ยนะพร้อมทั้งวาสนาเพราะฉะนั้นกิเลสในใจก็ไม่มีกิริยาอาการที่น่าเกลียดก็หาไม่พบในพระองค์อย่างนั้นเถอะนะแต่ใช้คําว่าสมันตะปาสาธิกาก็ได้นะครับเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสในรอบด้านทุกทิศทุกทางนะไม่ว่ามองมาจากมุมไหนเหลี่ยมไหนอย่างนั้นเถอะเพราะว่าพราะองค์นี้ไม่มีกิเลสแล้วก็กิริยาบางอย่างของพระารหัน์ที่ ที่ละกิเลสแล้วยังมีพระองค์ก็ไม่มีนะครับเช่นคําพูดที่ไปบอกคนถอยอย่างเงี้ยไม่มีแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รู้จกักตัดคําว่าโมฆะบรุษนะครับขณะไม่ใช่ว่า โ, โหดีหมดเลยไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยพูดอะไรก็ดีไปหมดเลยไม่ตําหนิคนนี้ควรตําหนิชมคนที่ควรช ม, ชมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันพระองค์สา ม, มารถอันนี้มากตําหนิคนที่ควรตําหนิชื่นชมบุคคลที่ควรชม แล้วก็สมแค่ไหนควรกล่าวทำแค่ไหนควรตำหนิแค่ไหนควรชมเนี่นะครับพงในรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ยังบริบูรณ์นั่นะแล้วต่อไปก็คือด้วยบทว่าพระวตาที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคนะครับท่านประกาศถึงความบริบูรณ์แห่งอธิษฐานธรรมคือสัจจะและอธิษฐานธรรมคือจากะ อธิฐานธรรมนี่เนี่ยแปลว่าทำเป็นที่ตั้งมั่นนะครับมีอยู่สประการคือสัจจะจาคะอุปสมะและก็ปัญญาแต่ทีนี้ว่าบทว่าพระวตาเ น, นี่หมายถึงอธิษฐานธรรมคือสัจจะกับจาคะอธิบายก็คือโดยแสดงถึงปฏิ ญ, ญาสัจจะและวจีสัจจะและญาณสัจจะของพระธถาคดเจ้าปฏิ ญ, ญาสัจจะคือปฏิ ญ, ญาว่าไง ปฏิญญาคือตั้งความปรารถนากล่าวว่าจากประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณความปรารถนาของท่านนะปะปฏิญญาว่าเราข้ามแล้วจะยังโลกและเทวโลกให้ข้ามด้วยเราตัสรู้แล้วจะยังโลกและเทวโลกให้ตัสรู้ด้วยเนี่ยนะเราพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วยเรา ฝึกแล้วจะให้สัตว์อื่นฝึกด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้สัตว์อื่นโล่งใจด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยอันนี้เป็นปฏิญญาสัจจะเลยนะครับว่าจะต้องทําอย่างนี้นะอันนี้ก็แน่นอนเป็นความจริงแท้อย่างหนึง่งแล้วว่าจีสัจจะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสัจจะบา ร, รมีเนี่ยพระองค์ก็ทรงบําเพ็ญมาอย่างเยี่ยมยอดและมากระทั่งยานนะสัจจะยานที่เข้าถึงความจริงแท้เนี่ยนะยานที่พระองค์มีก็เป็นของจริงของแท้เพราะฉะนั้นบทว่าพักวาเนี่ยนะหมายถึงสัจจะนะครับ ยาน ส, สัจจะและก็จากขะเมื่อกี้นี้อธิบายว่าสัจจะนี่มีหลายอย่างนะปฏิญยาสัจจะวจีสัจจะและยานสัจจะทีนี้ถ้าจากขาละล่ะโดยแสดงถึงการสละทิ้งกามคุณความเป็นใหญ่ทางโลกยศลาบและสการะเป็นต้นอันนี้คือลักษณะของจากขะนะครับสละทิ้งกามคุณก่อน รูปสวยๆเสียงเพราะเพรๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆพระองค์ก็สละทิ้ ง, งแม้กระทั่งความเป็นใหญ่แบบโลกๆพระองค์ก็สละทิ้งหมดไม่ว่ายศบริวานไปที่ไหนคนแห่คนแหนมีองค์ครรภ์พิทักษ์เต็มไปหมดเลยนะครับอรัคขาเต็มไปหมดก่อแมวแม้กระทั่งลาบทั่วๆไปเนี่ยนะก็ไม่มีแล้ว แล้วก็สักการะเป็นต้นเนี่ยนะครับสักการะแบบโลกโลกอ่ะนะเช่นอาหารมื้อเย็นเนี่ยนะถาทองคาทั้งหลายพระองค์ก็ไม่เอาแล้วเนะีเสียสละสิ่งเหล่านั้นออกไปหมดเลย mm hmm. เครื่องประดับเครื่องประดับชุดทองทำนะนะทั้งหลายแรมที่นอนแบบกษัตริย์จักรพรรดิทั้งหลายที่ควรใช้พระองค์ก็สีละสิ่งเหล่านั้นไปหมดเลยอันนี้ก็คืออธิษฐานธรรมคือจากฆ่าของพระองค์และแสดงโดยอาการถึงสละแม้กระทั่งอภิสังขารคือกิเลสไม่เหลือ สละนียว่าแตสละของข้างนอกเลยนะกิเลสในใจยังสละออกไปเลยโลภะเนี่ยนะตัณหาทั้งหลายแหล่พระองค์ก็สละออกโทสะโมหะมานะทิฏฐิบาปอากุศสธรรมทั้งหมดก็สละออกหมดเลยนี่คือบ่งถึงว่าพระองค์นี้เป็นพระผู้มีพระภาคคือเป็นคนมีสัจจะมีอธิฐานธรรมคือสัจจะและจากขะว่างั้นเถิดทีนี้ด้วยบทว่าอารหัตตาพระอรหรนันต์นี้ท่านประกาศถึง ความบริบูรณ์แห่งอธิฐานธรรมคืออุปสมะปัสมานี่ความสงบนะครับความสงบอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็อธิษฐานธรรมคือปัญญาคําว่าอุปสมะนั้นหมายถึงโดยแสดงถึงการได้บรรลุการสงบระ ง, งับสังขารทั้งหมดอันนี้ขั้นเข้าถึงอธิฐานธรรมคืออุปสมะก็คือสงบจากกิเลสได้ทั้งหมดนะครับโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับ สงบจากสังขารธรรมทั้งหมดเนี่ยคือสงบจริงๆก็คือสงบจนเรียกว่าสงบโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนิพพานนี่สงบที่สุดแล้วนะครับพระองค์นี่รอบรู้กระทั่งโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่าเมียที่ฐานธรรมคืออุปสมะและยังทรงเมียธิฐานธรรมคือปัญญาเพราะหมายถึงการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมแบบนั้นเถอะสัมมาเนี่ยนะครับแปลว่าโดยถูกต้องแบงนั้นเถอะ สัมโพธิเนี่ยปลวญาณที่รู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็โดยถูกต้องนะครับยานที่รู้อริยมรรคทั้งสีด้วยพระองค์เองแล้วก็โดยถูกต้องอันนี้ก็คือประกาศถึงว่าอาระหะาตานั่นเองนะความเป็นพระอรหันต์ของพระองค์เนี่ยนะทำให้พระองค์ได้รับพระนิพพานแล้วก็ได้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าประมวลสองบทคือว่าพระคัตภรกับอรหาตาเป็นสัจจะจะฆะ อุปสมะและปัญญาก็แบ่งเป็นคู่ๆอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับ